คุณกบเป็นไงคุณกบเทียบกับวันน้นเป็นไงเทียบกับคราวก่อนเป็นไงมดีแล้วนะดูออกว่าใช่ได้อาจารย์จุนเป็นไงอาจารย์ไม่ห้ามนะอาจารย์ คือจริงๆอย่างจิตมันสายเรารู้ว่าสายเนี่ยรู้ด้วยใจเป็นกลางคือไม่ใช่ว่าจะต้องให้สงบาะนั้นสายสายรู้ว่าสายถ้าใจเราเป็นกลางเรารู้ว่าใจเป็นกลางอันนี้สงบแล้วเา้จิตเป็นกุศลอกุศลสุขทุกนะเรารู้เข้ามาให้ถึงจิตเพรามันเป็นกลางในสุดทุกทุ ก, ทกสภาวะก็เป็นกลางคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นไง มีมีอะไรนะอะไรมันแปลกใคยรู้สึกไปเรื่อยๆนะใช้ได้อยู่รู้สึกไปเอาฉัดว่าไงฉัดเรางั้นต้องฟังบ่อยๆนะแต่แย่สิต้องฟังทั้งวันถึงจะรู้ตัวทั้งวันกิแย่นะ รู้สึกตัวดีขึ้นไหมเก๋ชัดดีละชื่ออะไรลืมละเออช้า ง, างวาไงเออยิ่งเช้นยิ่งไงม่มานะยิ่งเค้นยิ่งไม่ม า, นะ เ, มมาเพราะงั้นจิตเนี่ยมีธรรมชาติเจเลยแล้ว เ, เสื่อมวันไหนที่เขาเสื่อมนะอย่าตกใจนะ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 มีอันเดียวนะช้างขยันทําเมื่อทําถูกแล้วต้องขยันนะคนไหนยังทําไม่ถูกห้ามขยันยังทําไม่ถูกเพ่งเอาเพ่งเอาแล้วขยันนะี่ยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าไหนช้างลอะอคุณต้กงทำมันเป็นไงไม่ดีไงเออหลงไม่ดีนะรู้รู้ว่าหลงมันจะดี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 ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอน่าถ้าสูธรรมเห็นว่าจิตเจริญเจริญแล้วมันก็ดับไปจิตที่เสื่อมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะใจเป็นกลางเจริญก็ไม่หลงดีใจเสื่อมก็ไม่หลงเสียใจเนี่ยเป็นกลางในที่สุดจิตเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะจิตที่เป็นกลางต่อทุกสภาวะนะจะเลิกดิ้นรนมันไม่ดิน้นจิตที่มันไม่ดิ้นไม่ปรุงแต่งหลวงปู่ดุลท่านบอกว่างสว่างบริสุทธ หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตมันหยุดมันก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานไปเนี่ยถ้าใจเราอย่างดิ้นไม่เลิกนะก็ยังห่างไกลนิพพานไปด้วยนิพพานไม่ดิน้นนิพพานคือวิสังขารไม่ปรุงนิพพานคือวิราคะไม่อยากยังอยากดีก็ดิน้นก็มีทั้งสังขารทั้งราคาะเพราะฉะนั้นจิตเสื่อมหือว่าเสื่อม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 ถ้าเราเห็นมันเกิดดั บ, ดบเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็แจมแจ้งไม่มีสิ่งที่ถาวรอลไรความความอยากดีเป็นมารชื่อเพราะเลยชื่ออภิสังขารมารไม่ใช่มารกระจอกเป็นมารระดับอภนะิอภิสังขารมารแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วเราชั่วได้นะกระทั่งดียังไม่ติดเลยช่วมยังยอมไม่ได้หรอก สติเกิดให้อากุศลมันดับทันทีอยู่แล้วอากุณาไทยที่เป็นไงดีละคุณดีละดีและวรู้ไปพอใจเป็นกลางใจก็ไม่ดิน้นใจมันไม่เป็นกลางมันมีความอยากพอมันไม่เป็นกลางมีความอยากขึ้นมันก็ดิ้นนีน่ยตัณหาเป็นผู้สร้างพบสร้างไปด้วย พอเรารู้ทันใจเป็นกลางใจก็เลิกดิ้นรนในสุดวันหนึ่งจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเอาดาวเป็นไงดาวอ่าอ่าดีแล้วนะเรารู้กายแล้วก็รู้ไปจิตเคลื่อนไหวก็รู้จิตไปไม่ได้เลือกหรอกเพราะสติมันเลือกไม่ได้ ไปสั่งบอกสติจงรู้แต่กายสั่งไม่ได้สติจงรู้แต่จิตสั่งไม่ได้อะไรเด่นขึ้นมาในขนาดนั้นก็ไปรู้อันนั้นดีแล้วละ่ะใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่ของหยาบฝึกรู้ฝึกดูไปเรื่อยๆไปเราหเห็นสภาวะที่ละเอียดเข้าละเอียดเข้านะกิเลสมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆกิเลสในชั้นละเอียดหน้าตามเหมือนกูฝนเลยนะดูยากแล้วก็คอรู้คอดูไป ครูบาอาจารย์สอนอาจารย์มหาบัวสอนบัวน้ากิเลสเลยอวิชชาจิตที่รู้สึกตัวอยู่นั่นแหละเป็นจิตที่มีอวิชชาจิตตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวอวิชชาแต่เราก็อาศัยตัวจิตนี้ไปก่อนนะรู้สึกไปเรื่อยจะไปโมเมว่ามันอวิชชาเราไม่ไปดูมันไม่ได้นะใครรู้บ่อยๆดีแล้วนะทั้งลาวทั้งคุณอาไทยทิพดีแล้วเอาคุณหมอว่าไงคุณหมอ เอ้ามีสองหมอแล้วมานั่งเรียงกันซะด้วยน ะ, อนะเอาหมอนอนจอดก็กได้อ่ะอ่ะคุณหมอดวงพรใช่ไหมอดอกจิตเป็นไงอะไรสบายละ่ะสติเกิดไหมไ้มสติกิเลสเกิดรู้ไหวไหมเหรออ ย, อย่าให้นานนักนะ อ้าวเหร อ, อเขาชอบทางดีหรือทางไม่ดีเดี๋ยวนี้อ๋อเอ้าเรามีหน้าที่ว่าเราก็ว่าสิไม่ใช่ปฏิบัติทำแล้วไม่ว่าเนี่อย่างครูบาอาจารย์นะว่าเก่งนะเอครูบาอาจารย์ยิ่มภาวนาดีๆเนี่ยเราไปกระดุกกระดิกอะไรใกล้ๆท่านนะจิตใจวุ่แวั่ออกไปโดนท่านดูเอาเนะเะนั้นลูกเข้าใจผิดละ บอกเลยแม่มีหน้าที่ว่าการว่าของแม่เนี่ยเป็นธรรมะนะคนชอบวัดภาพว่าคนเข้าวัดจะต้องดีอย่างงน้นดีอย่างนี้นะเรียกร้องสูงอันนี้เป็นคนที่ไม่ได้เข้าวัดเขาเรียกร้องตั้งมาตรฐานขึ้นมาส่วนเราผู้ปฏิบัติเราจะเห็นได้วัดถึงวันหนึ่งกิเลสเกิดเยอะแยะคุณหมอดูออกไหมกิเลสเยอะถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีกิเลสเราเป็นคนดี แต่ถ้าเราหัดเจริญสติเราจะรู้เลยกิเลสของเราเยอะมากในวันวนหนึนะ่งเดี๋ยวก็โลภเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเกียรติยิบเลยทุกนาทีนี่เต็มไปได้วยกิเลสอย่างขณะนี้หลงละรู้สึกไหมหลงละเนี่ยโมหะละใจมันฟุ้งซ่านออกไปอย่าประคองนะประคองละอันนี้ติดดีกลนะัวจะหลงก็ประคองเอาไว้ขอคุณหมอสีชมพูหมอนคอนปรปฐมใช่ไหม อันรรนั้พประนมเหรอวันนี้นักการบินทงวันนี้หมอมากเลยนั่งเรียนกันเป็นแถวเลยนะ ห, หมอทั้งแถวเลยนี่มีหมอรวมพรอีกคน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 กำลังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่เนี่ยแอบไปคิดต่อล้วเ <c oughs> นี่ยรู้สึกไหมตรงเนี้ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเมืเ่อกี้แวบไปเมื่อกี้นึกออกไหมไม่มีอะไรเลยนะจะโล่งว่างไปเลยไม่มีอะไรหรอกเนี่ยนี้เป็นผู้คิดอีกล้วไม่ใช่ผู้รู้ล้วเอไปคิดซ้ําอีกนะ <c oughs> <c oughs> แล้วความถนอมแต่ก่อนครูบาอาจารย์ก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็หายไปเรื่อยๆแนละ้ว จะความเปนนมมุกดาหารในทั้งนั้นหลวงปู่ล่าปู่ล่าดีนะปู่ล่าปู่เจ้าก็คุณหมอดวงทิพย์ไม่เพ่งปล่อยออกแทบปล่อยอคุณน้องเป็นไงคุณน้องส่งในใจอีกคนละพูดหน่อยพูดหน่อยหนวพ่อจะได้ดื่มน้ำอะไรนะ ดีแล้วคอยดูเรื่อยๆตุกตาล่ะ <laughs> บ่อยเคลียดแล้ว <laughs> <laughs> ดีแล้วตุกตาดีแล้วดีทั้งคู่แหละนะดีทั้งคู่หละดีแล้วนะภาวนาไปด้วยกันนะออกจากโลกให้ได้ในได้เป็นคู่ที่สามเราอย่างวงพ่อมลตรีไห <laughs> นไนมีใครอีกเนาะ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 เนี่ยเราก็ทำไปทำความสงบไปดีละไม่งั้นฟุ้งซ่านมากไปดีละแล้วยังเที่ยวเห็นผีอยู่ไหมเห็นค่ะเห็นแล้วทำยังไงเออมันต้องอย่างนั้นยิกนอมันไปจำไหมนะไม่ว่าเกิดอะไรยิกนอไป จิตใจมันไม่หมกมุ่ น, ะ น, นะอะไรนะเดี๋ยวไปสนใจยิ่นอไปเลยนะแล้วที่มาด้วยกันละ่ะเคยมาไหมส่งกันบ้านแล้วไม่ทำหรื อ, อไม่คุยด้วยละ่ะ ออาคุณผู้ชายข้างหลังลนะั้นน่ะถัดไปเป็นไงทำอะไรลนะ่ะทำตลอดดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้เกรงกันแล้วกันดูไปสบายรู้สึกไหมตรงที่มันรู้โดยไม่ตั้งใจจะรู้ว่าใจมันจะสว่างสบายอันนั้นเป็นการรู้ที่ถูกต้องแต่ถ้าเราจงใจรู้มันจะแข็งๆขึ้นมา อย่างตอนนี้แข็งแข็งไม่บอกไหมดีที่รู้ทันนะดีใช้ได้ที่นั่งกับนุชอะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแหละ<ด>แตะ่ดูไปเล่นเล่นะดูไปสบายสบายอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้ไหมเ <c oughs> นี่ยแค่รู้สึกรู้ทันนะใจก็จะตื่นขึ้นมาเราก็ให้มันตื่นบ่อยหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> คือการปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปนั่งลูกเดียวเดินลูกเดียวนะ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 การคำว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตไม่ได้อยู่ที่อาการหรอกมันอยู่ที่สภาวะของจิตใจเรามีสติหรือไม่มีสติหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรงนั้นสติสําคัญมากไงคุณหมอใจรอยอีกแล้วเป็นไงเสิงเหรอให้มันรู้บ่อยๆนะะอยา่าเคร่งเครียดกันแล้วกันนิงเป็นไง ช่วงนี้นานเท่าไหร่อยู่กับโรคซะงั้นนะทำตลอดลำบากใช้ชีวิตอยู่กับโรกมันก็ไม่ได้เหมือนอยู่วัดนะอ่ะคุณที่มีเรือหงษนะ์ะเคยมาไหมเล่าเคยฝึกมาแบบไหนใส่หลวงพ่อเทียนป่ะหลวงพ่อเทียนก็ดีนะฝึกไป ฝึกเสติแล้วที่นั่งข้างๆน่ะมาด้วยกันไหมฝึกแบบหลวพ่อเทียนเหมือนกันป่ะแล้วไม่ต้องไปไหนนะให้อยู่กันเนื้อกับตัว <c oughs> เราไม่ฝึกไปไหนเลยฝึกอยู่กันเนื้อกับตัวนะรู้สึกตัวไปอย่างหลวพ่อเทียนนะท่านสอนให้ขยับแต่มาท่านขยับเพื่ออะไรท่านท่านใช้คํ า, าว่าขย่าธาตรู้ขยับเพื่อจะรู้สึกตัวนะ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 อันนี้ขยับมือก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยหลักเดียวกันในร่างกายเคลื่อนไหวท่านบอกกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ก่อนอาตมาไม่เคยอ่านหนังสือท่านก็คิดว่าท่านสอนเรื่องกายไปเห็นท่านขยับกายเคยเข้าไปกราบท่านที่วัดสนามในเห็นท่านขยั บ, บท่านรู้สึกตัว ล, ลูกศิษย์ขยับเนี่ยหลับหมดเลยคือหลับ ไปคิดไปฝันเรื่องมือบ้างนี้ไปคิดเรื่องอื่นบ้างอีกพวกนึงก็เพ่งเพ่งไปใส่มือใจอยังเครียดเครียดเคยเป็นไหมขยับแล้วเครียดเครียดแข็งแข็งแข็งแข็งเครียดเครียดในละักษณะของจิตที่เดินผิดแล้วนี่มาอ่านหนะังสือหลกงพ่เทียนทีหลังเลยเจอว่าจริงๆท่านสอนเรื่องดูจิตเยอะเลยท่านบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตชิดนะเมันนั้นได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตชิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะในโลกนี้คนรู้เรื่องที่คิด แต่ไม่มีคนรู้ว่าจิตไอคิดอย่างตอนเนี้จิตของคุณหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยถ้าคุณรู้ทันว่าจิตไปคิดคุณจะตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วท่านสอนต่ออยู่บอกการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดงั้น่านแรกเลยเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตนี้ไปคิดพว๊บเรารู้ทันแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราก็รู้อยู่ที่จิตต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่นั่งเพ่งเอาไว้ให้นิ่งเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตามรู้ตามดูไป งั้นหลวงพเจียนสอนกับหลวงปู่ดูลสอนนะเหมือนกันเปรียบเลยสุดท้ายนี่หลวงพเจียนเอาการขยับมือมาเป็นตัวกระตุ้นไม่ให้เผลอยาวในเราขยับไปแล้วใจเราหนีไปคิดนะให้คอยรู้ทันงั้นถามว่าขยับทําไมขยับเพื่อไม่ให้เผลอ น, นี่นึ่งไม่ให้เผลอนานเผลอเป็นยังไงเผลอที่เป็นมากที่สุดก็คือเผลอไปคิดแม้เราขยับไปเนี่ยพอใจเราหนีไปคิดเราก็รู้ทันเราก็จะตื่นขึ้นมาขยับไปขยับไปเล่น เราจะเห็นอะไรพอใจตื่นใจมีความสุขนะแปบบเดียวขยับอีกแป๊บหนึ่งจิตนี้ไปคิดอีกแล้วนะถ้าไม่ไปเพ่งไว้ก็จะหนีไปคิดอย่างรวดเร็วนะนี่ถ้าจิตหนีไปคิดเราก็รูนะ้พอรู้ทันจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาทีหนึ่งรู้สึกได้แป บ, บหนึ่งก็หนีไปคิดอีกแล้วนะฝึกไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเกิดปัญญาเราเห็นอะไจิตที่เผลอไปคิดนะเป็นอกุศลเราห้ามไม่ได้ จิต ท, ที่รู้สึกตัวเป็นจิต ท, ที่เป็นกุศลสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เคย ร, รู้สึกไหมความ ร, รู้สึกตัวรักษาไม่ได้จริงรเราไม่ได้ฝึกรักษาด้วยแต่ฝึกให้เห็นความจริงเลยจิต ท, ทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปนี้สุดจะเกิดปัญญารู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับธรรมะเสร็จนไปลงกันเดียวกันตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหม นี่ให้รู้ทันอย่างนี้นะพอรู้ทันรู้สึกไหมเหมือนตื่นขึ้นมาหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมพอจะดูออกไหมยังเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมสุดโตไปข้างบังคับละ่นะสิ่งที่ผิดมีสองงานกรารสุขาริการนิโยคไหลาตามกิเลสไปเผลอไปเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดนะพอเผลอไปเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองอันที่สองที่ผิดนะั้นเรืยออัตตะกิลมัทฐานิโยก่การบังคับตัวเอง บังคับกายบังคับใจทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไรอยู่นึกออกไหมเอาละพอก่อนนะเดี๋ยวเครียดจะงงละนะเมื่อกี้นี้ทำอะไรอยู่แต่กี้นี้ใช่เพ่งก็รู้ทันนะเพ่งเนี่ยมันทำให้กายนิ่งใจนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วมันไม่มีไตรลักให้ดูนะ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 เช่นมันเพ่งอยู่แล้วเราอยากเลิกเพ่งเนี่ยเขาคุณจะทํำนี้นะใจมันจะทื่อๆ อ, อยู่นะจะทื่อๆไปต้องค่อยๆ ค, คลายออกวิธนะีจะจัดการกับมันนะคือรู้ไปเรื่อยๆรู้ด้วยความเป็นกลางแนละ้วมันจะคลายเองถ้าไปบังคับมันนะไม่คลายหรอกมันตัวมันเองที่แข็งทื่อขึ้นมาเพราะว่าเราไปบังคับมันเข้าจะไปบังคับให้มันเลิกแข็งแนละ้วมันยิ่งแข็งหนักกว่าเก่าอีก กานเปนคลายก็คือเราลืมเพ่งนะเพราะงั้นถ้ามันติดนานนะคุณลืมเรื่องปฏิบัติไปเลยนะนึกไปเรื่องอื่นเลยก็ได้เนะพอใจลอยเผลอไปแวบพอรู้ทันว่าเผลอนะมันจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเหลวงพ่อเทียนถึงบอกอ่างนั้นถ้ารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะ่ะจะได้ต้นทางของการปฏิบัตนะิแต่นั่งเพ่งนะเนะี่ยที่อาตมาพูดไม่ได้แกล้งว่าเลยนะ มนให้เข้าไปที่วัดท่านาจริงๆเห็นท่านขยับตัวท่านรู้สึกตัวท่านเป็นพระชั้นยอดเลยแต่ลูกศิษย์ส่วนใหญ่คือนักเพ่งนะทําในสิ่งที่ท่านห้ามนั่นแหละท่านไม่ชอบสมถะนะผมก็ตเตียนแต่ลูกศิษย์ติดสมถะคุณดูออกแล้วใช่ไหมมันคือการเพ่งนะเพราะเราคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทําอะไรกลายเป็นเราไปนั่งเฝ้ามันไว้กลายเป็นเพ่งมันของคุณนั่นคิดสนุกไหมที่นั่งอยู่ด้วยกันนึกออกไหม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 มันง่ายกว่าที่คิดนะของคุณมันยังบังคับอยู่มันบังคับจนเครียดนะคือการปฏิบัติเนี่ยเครียดไม่ถูกนะจิตที่เป็นกูสนเนี่ยจะไม่เครียดหรอกจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานแต่จิตที่เราไปบังคับไปกดขี่เขาเนี่ยเขาเคร่งเครียดชอบรู้กายหรือชอบรู้จิตนะเดี้จะหลวงพ่อจะได้แนะให้ตามที่ใจชอบ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 เนี่ยเรารู้ว่าสบายนี่เรียกว่าปฏิบัติละนะเนี่ยเราก็คอยรู้จิตใจของเราไปทั้งวันเลยยกเว้นเวลาที่ทํางานในเวลาทานข้าวเจอของอร่อยใจเราชอบเจอของไม่อร่อยใจเราไม่ชอบนะออกมาที่ถนนรถติดเห็นรถติดเยอะแยๆในใจมันไม่สบายไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะวันนี้เจอแต่ไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปตลอดวันยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดนะนี่กลับบ้าน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 กายก็อันนึงใจก็อันนึงความคิดเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยสุขทุกข์กุศลนกุศลนี่เป็นอีกโคราลเป็นโครานโครานเมื่อกี้ทําอะไรอยู่จงใจดูไม่ถูกนะอย่าจงใจเ พ, พราะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะท่านบอกให้ตามดูให้ตามรู้อย่าไปจงใจติจ้องไว้ก่อนของคุณรู้สึกไหมคล้ายๆว่าเอาละต่อไปนี้เราจะดูจิต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 นานไปต้องประเภทกําลังโกรธอยู่นี่แหละแล้วก็รู้ทันว่าโกรธแต่ถ้าไปดักจ้องไว้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะทื่อๆไปเฉยๆเยคยจ้องไว้อ้อาวคุณทิตินาถช่วยด่าหลวงพ่อสิหลวงพ่อจ้องไว้ด่าสามวันหลวงพ่อยังไม่โกรธเลยนะแต่่หลวงพ่อกำลังเผลอๆ อ, อยู่มาด่าเนี่ยหลวงพ่อโมโหเลยเนะี่ยเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ได้ไปิดจ้องไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนของคุณยังติดการไปนั่งเฝ้าไว้ หนีไปคิดแล้วทราบไหม อ, ไอ่านั่งเฝ้าเดินเป้านอนเป้านะนอนเฝ้าก็มีนะนอนดูซิเมื่อไหร่มันจะหลับโอ้ยมันจะหลับได้ไงหนีไปคิดแล้วทราบไหมเที่ยมันหนีไปคิดก่อนแล้วรู้ว่ามันหนีไปคิดรู้สึกไหมใจตอนนี้สว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมมันรู้ตัวได้ชัดกว่าเมื่อกี้ ตอนที่มาเมื่อเช้าเนี่ยคลียดเครียดแข็งแข็งดูออกไหมตอนนี้ไม่แข็งเท่าเมื่อเช้าหรอกค่อยๆรู้ไปนะันดู้ไปเนี่ยยกมือรู้สึกไหมเมื่อกี้ยกมือแต่เผลอเหออ็นไหมค่อยรู้สึกไปนะร่างกายเคลื่อนไหวค่อรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกเนี่ยใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมไอหลวงพ่อไม่ได้ห้ามมันนะเราไม่ได้ฝึกห้าม ฝึกแต่ว่าเออใจลอยก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองพุทธเจ้าสอนจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านือใจลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอยไปแลมันจะตื่นขึ้นแว บ, บหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวไม่ก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ว่าใหม่ mm hmm. อ้าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนรู้จักใจลอยไหม mm hmm. รู้จักก็ดีแล้ว mm hmm. <laughs> วันหนึ่งวันหนึ่งเราจะใจลอยเยอะ mm hmm. ถ้าไม่ใจลอยไปก็คือบังคับไว้ดึงความรู้สึกเอาไว้เ mm hmm. นี่ยสองงานเนี่ยที่ mm hmm. พุทธเจ้าห้าม หลงไปใจลอยไปก็คือลืมกายลืมใจตัวเองนะไม่ได้มีการปฏิบัติเลยทั้งสมถะและวิปัสนานั่งเพ่งกายเพ่งใจได้แต่สมถะไม่เกิดปัญญาหนีไปคิดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชายนะั่นนะมันใจลอยไปก็รู้ทันมันนะอา้าวคุณนี่ใจลอยดีคนละรู้จักใจลอยยังที่รุ่งสีเป็นไงอะไรนะ ตามรู้เรื่อยๆเื่อยแต่อย่าจงใจนะถ้าจงใจนั่งเฝ้าจะเคร่งเครียดเคร่งเครียดผิดการปฏิบัติต้องสบายเอ้าช้างใจลอยวีคนแล้วช้างหลวงพ่อเห็นทโฆษณาบอกอย่าทำช้างเจ็บ<ะ>เห็นโฆษณาเยอะเลย <c oughs> <c oughs> คุณนี่เคยมาไหมคุณผู้ชายใส่เชิด <c oughs> <c oughs> พอรู้เรื่องมั้งไหมเออไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อนะไม่รู้เรื่องบอกได้คนที่ฟังหลวงพ่อครั้งสองครั้งรู้เรื่องมีน้อยนะเกิดมากต้องฟังกันหลายโหนรู้สึกไหมตอนนี้เราลืมตัวเราเองแล้วรู้สึกไหมใจร่อยใจลอยใจรู้ว่าใจลอ ย, ลอยไม่ห้ามมันหรอกแล้วนี้หล่ะที่นั่งติดกันเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้าง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 นี่หากออกได้นะหรือว่านั่งจิบกาแฟเหนื่อยแล้วนั่งจิบกาแฟเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทํางานหรือว่าคนเแล้วทางานไปพอเหนื่อยเนยก็คว้าหนังสือพิมพ์มาดูนี่ไม่ได้ทํางานละหรือไปเข้าห้องน้ำนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีเวลาที่ไม่ต้องทํางานใช้ความคิดเนี่ยเยอะมากในแต่ละวันแต่ละคนเนี่ยใช้ ใช้เวลาไปทํางานที่ใช้ความคิดนะไม่มากเท่าไหร่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่นะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเท่านั้นเององั้นถ้าเวลาที่เหลือเนี่ยเอามาเจริญสติเนี่ยนะไปได้ง่ายเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องทำแปดชั่วโมงเวลาแปดชั่วโมงนี้ไม่เจริญสติเลยนะตำลุมบอลลูกเดียวนะตรงนั้นกิเลสจะเกิดเยอะแยะเช่นทํางานไปแล้วก็เครียดไม่เห็นว่าเครียดนะคนมาอินเตอร์รับเราละโมโห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 นะตรวจสอบข้อมูลวิเคราะหนะ์นำเสนอว่างานยุ่งมากเลยแต่ละอย่างแต่หลวงพ่อคอยดูใจตัวเองอนะย่างเราเข้าประชุมนะเห็นเมมเบอร์ในวันนี้นะหเห็นไอ้พวกมาประชุมโอ้ยพวกพูดมากแล้วเลยนะเห็นหน้ามันก็เกลียดมันละเกลียดมันรู้ว่าเกลียดนี่ได้ปฏิบัติแล้วนะถึงเวลาก็พรีเซนต์ไปด้วยใจที่ไม่เกลียดละเพราะเรารู้ทันมัน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 เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันดูยากนิดหนึง่งงั้นดูจิตเนี่ยในตำราอภิธรรมหนึ่งสอนแบบ ก, การดูจิตเหมาะกับพวกคิดมากการรู้กายเหมาะกับพวกโลภมากอ่ะสองคนนี้มาจากไหนกันเราอาส่งกันบ้านมาสี่ครั้งแนละ้ว อืปากกแล้วก็ยงมีอยู่อันที่รล้น่ะคะมีมคอทั้งสามเรื่องไหมคแล้วเรื่องเนี่ยเขาแบบเาเศร้ากันเราก็ดูจิเราไปวเยเรารู้สึกว่าเราดูอยู่แต่อยู่ดี น, นดักขณะที่มันเศร้าเ น, นี่น้ำตาเราไหลแเราเราเราเร า, เรายดูอแล้วมันแบบคือคือามาก็เลยเข้าใจว่าอาจจะบไม่ไม่ได้ดูได้ตลอนนไม่ใช่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 จิตเราถูกเบี่ยงนะเดี๋ยวก็เกิดโลภะโทสะอย่างเศ้านี้ยเป็นโทสะนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจจิตเวี่ยงขึ้นเวียง<ๆ>ลงนะถ้าเราชอบดูเราก็ดูจิตของเราไปด้วยเราจะดูละครไม่มีความสนุกเลยนี่เห็นในจิตเวี่ยงไปเวี่ยงมานะแต่ถ้าเราปฏิบัติจริงจังเราก็ไม่ดูมันหรอดูของจริงเลยนะไม่ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ว่าขนาดนั้นหรอกนะนี่บางคนยังชอบดู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 แต่ก่อนจะดูละคร ด, ดูทําไมเสียข้าไปนะดูแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะเสียลูกตาแต่ถ้าดูละครแล้วแหมนางเอกหน่าสงสารใจเราสงสารเศร้าเชียวถูกเขาแกล้งหแบบนะี้เห็นนางอิจฉานี่เกลียดมันจังเลยหนางนี่มาอีกแล้วเกลียดมันสงสารนางเอกถูกแกล้งนะนี่นางเอกถูกแกล้งมาหลายตอนแนละ้ว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 ชื่อตาลบุตรตาลบุตรตาในลูกตาลเกิดใต้ต้นตาในชื่อลูกตาเป็นนักแสดงดังมากเลยตอนนี้ใครเป็นพระเอกดังที่สุดชื่ออะไรนะแล้วหลวพ่อไม่รู้จักเลยหลวงพ่อต้องรู้จักมิตรชัยบัญชาเลยรโน้นนะเจษฎาพรเนี่ยอสมมติ ด, ดังมากนะตาลบุตรตเนี่ยเป็นนักแสดงที่ดังมากในยุคนั้น วันหนึ่งก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปินเนสอนผมมาบอกว่าการที่ผมไปเล่นละครให้คนดูนะทําให้คนมีความสุขฉั้นผมได้บุญมากผมตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ชื่อหงสิตาพระเจ้าบอกว่าอ้าอไปเล่นให้เขาดูนะทํากิเลสของเขาที่ยังไม่เกิดให้เกิดทํากิเลสที่เกิดแล้วให้รุนแรงมากขึ้นอย่างใจของเราปกติก็หลงหลอยู่แล้วนะ่าเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวยังง่นอย่างนี้ เขาบอกตายไปตกนรกชื่อหัสิตา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 แค่นี้เองน้ะไม่เยอะหรอก <c oughs> อืมถ้าเราโกหกก็คือให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบอกเองว่าโกหกอ่าไม่ต้องห้ามมันนะพระเจ้าสอนเนี่ยดูก่อนที่สูทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะให้รู้นะท่านบอกว่าให้รู้ถ้าไม่ได้สอนว่าที่สูทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะแล้วให้หาทางละเสียไม่มีประโยคหลังนี้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 หลวงพ่อเทียนอ่ะดีสายไหนก็ได้จริงๆอ่ะเอาไปสักสายนะแต่ว่าทําแบบไหนก็ต้องให้มีสติซะนั่นแหลนะเช่นเราจะฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วก็ขยับมือไปนะใจเราลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอยไปขยับไปแล้วใจเราก็ไปเพ่งมือรู้ว่าเพ่งมือนเพดัะนั้นจิตใจเราขยับไปแล้วจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขขยับเพื่อจะรู้ทันใจนะคนไหนฝึกอาณาปณะสติก็หายใจไป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 เอาสัก อ, อ่านหนึ่งแต่ถ้าทำถูกต้องนะมันจะรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองได้ใน ต, ตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเอาคุณสุธรรมว่าไงคุณสุธรรมอ๋อตอบถูกแล้วคุณผู้ชายข้างหลังนั่นละ่ะเลยคุณสุธรรมไป <c oughs> เป็นไงบ้างเป็นไง พอรู้สึกได้แล้วล่ะนะพอรู้สึกได้คอยรู้สึกเรื่อยๆคุณทํามาดีแล้วล่ะหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยทำถูกล้วนะทําถูกตรงที่สังเกตไหมตรงที่รู้ทันนะ่ะคล้ายๆเราตื่นขึ้นมาอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่เป็นไรต้องทราบทีหลังนะถูกแล้วนะคือเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลออย่างนี้ถูกต้องถ้ากลัวจะเผลอแล้วนั่งเฝ้าเอาไว้อันนี้ไม่ถูกต้องนะอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม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 นีไปคิดแล้วทราบไหมดีแล้วนะฝึกแปดีล้วอ้วมีใครอีกหมดนิยาม <c oughs> อ้าวพอจะหมดเลยยกกันใหญ่เลยอ้าวว่า ม, มา <c oughs> เป็นไงยอมทำแบบไหน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 มันเด็กเองไม่เป็นไรอย่าไปอยากบังคับมันนะไม่บังคับนะบัง ค, บบงคับมันถึงจะแข็งแข็งรู้สึกแม้มันจะแข็งนะอย่าไปบังคับมั น, ไ ม, ไ, นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้รู้รลูกเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปแก้ไขอ้าแฟนตึกชื่ออะไรลืมไปแล้วชื่ออะไรนะเออจุบไปไงตอนน่ะคอยรู้เรื่อยๆนะ ตึกยังฟุ้งไม่ตึกตึกหายไปไหนละเป็นไงตึกก็ยังมีติดติดเรียกติดเรีเรียกวิญญงณวิแต่บางครั้งก็เห็นว่าไอ้ตัวมุมหนึ่งมันอยู่ตรกางอ่าดีแล้วดีละโอ้ดีนานเนี่ยดีตั้งครึ่งวัน ดีแล้วดีแล้วรู้ทันไปเรื่อยเรื่อย แล้ตึกดีแล้วนะภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะเอา้าในยนิดอ้อยู่หลังสุดเลยเอา้าเป็นไงส่งกันบ้านมันเทียเท่ยงเหรอมันเหมือนเดิมอ๋อไม เ, <c oughs> เอดีแลกดีดีแลก <c oughs> ดีแลกนิดใช้ได้แล้วนะล็อตลอด มันจะจงใจดูถ้าจงใจดูแล้วมันอึดอัดนะแต่ถ้ากิเลสมันเกิดแล้วเราค่อยรู้เอาไม่อึดอัดหรอกนะแต่ถ้าเราจงใจอย่าไปนั่งเฝ้าทั้งวันนะก็จะอึดอัดนะดีแล้วไป ร, รู้ทันไปแล้วแล้มมาแ้มหมูนี้ดูผ่องใสดีไปทำอะไรมา เ, เวลากิเลสเกิดรู้ทันไวไหม รู้บ่อยๆเนะดีแล้วบ้านนี้ภาวนาทั้งบ้านเลยดูเด็กเด็กผู้ชายเล็กๆเลยเขินเลยสงสัยไหมนี่หลานหลวงพ่อแม่ของคุณสุนันตต้องยกเว้นคุณสุนันถ้าไปคุยด้วยลรวเกลงเอาหมดยัางหมดยัาง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 รู้ไปเรื่อยๆแค่นี้พอไหวไหมถ้าถ้าอย่างเป็นอย่างตอนนี้ไห ม, มนนคือตอนนี้จิตมันยังติดในสมถะนะจิตของคุณนะมันยังติดการบังคับไว้การตรึงไว้การประคองความรู้สึกไว้ mm hmm. ถ้าเรารักษาตัวนี้นานๆเนี่ยนะมันจะมีความสุข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 คุณหมอว่าไง คือการที่เราอะไรแล้วเราเก็บอบายแล้วก็อาเมันป็นตัวบอก้นะว่ามนบาอกตัวเองว่า่าเนียของไเราก็พอเป็นอบายได้นะแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตทำหน้าที่หลายอย่างหน้าที่อันที่หนึ่งหน้าที่รู้สึกนะหน้าที่คิดรู้สึกนึกคิดจิตอันที่สองเนี่ยทำหน้าที่จำเก็บข้อมูลสะสม ถ้าสะสมวิบากทั้งดีทั้งชั่วเก็บไว้ได้หมดเลยเก็บ ไ, ได้นานด้วย น, นะฝนอีกงานนี้ก็คือหน้าที่ปรุงแต่งวิจิตวิสัยดาเลยทําอะไรได้อีกสารพัดเลยนั้นะจิตมันทํางานได้เยอะแยกเลยการที่เราไปสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วเราขาดสตินเราก็สะสมเก็บภาพอันนั้นเอาไว้เยอะแต่ถ้าเรารู้สึกมีสติอยู่กับปัจจุบันมันจะผ่านมาแล้วก็ไหลไปผ่านมาแล้วไหลไปก็ไม่ไปเก็บไว้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 ตัวอะไรมันจะแอบอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยจิตใจเนี่ยจะจะ a ิ e r กว่ากันเยอะยตื่นตัวแต่ถ้าอยู่ที่ซ้ำซากจำเจไม่จะเฉยเอยจิตใจไม่ค่อยตื่นตัวเมื่อไงแก้ว ถ้าเราไม่ชอบโมหะดูยากที่สุดนะในกิเลสทั้งหลายนะโมหะดูยากที่สุดงั้นไม่แปลกอะไรหัดใหม่ๆก็รู้แต่ของที่หยาบหน่อยโทรศัพท์โลภะรุนแรงแต่พอหัดดูไปเรื่อยๆมันละเอียดขึ้นเองอนะ่ะเช่นแต่ก่อนต้องโทรศัพ์แรงๆถึงจะเห็นหั ด, ดูบ่อยๆขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วแต่โมหะดูยากนะโมหะเช่นจิตฟุ้งซ่านเงี้ยจิตฟุ้งซ่านทั้งจิตจิตหนีไปคิดอนะ่ะถ้าจิตมันหนีไปคิดทั้งวันเนี่ย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 เออไม่เห็นนานละภาวนานไหมเห็นเหรอมัว<ะ>ไปทำอะไรอยู่เ ล, เ, ลลเล่นอะไรนะเล่นอยู่คนเดียวเหรอรอเหรอ น่าสงสารนะภาวนาดีนะกล้องอ่ะกล้องเคยภาวนาดีมากเลยมันก่อนดรเล็กเข้ามาดรแฮวบอกว่ากล้องบอกว่ากล้องภาวนาดีขึ้นกล้องไปบอกแฮว์อ่ะวันนี้พอสมควรนะเชิญเนี้ต้องพูดดูลงสนอกว่า นีอะรเกิดขึ้น <problemas> ก <lly> <gehört> <horrible> ็ปัดทิ้งไปหมดเอยมันจะไปปรุงต่อรู้แล้วก็ไม่ปรุต่อแล้วมันขึจะจากจิตเราเองจิตเราเองก็ตอบได้อี่อุบา